ขอนอบน้อมไดองพระเด็กพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> ขอกราบสลวงพ่อพุทธอินปทปันคณะครูบาอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูกขอเตินพรญาติโยมผู้มีคาถาในการปฏิบัติธรรมที่ทุกทัน ต่อจานี้ไปก็จะได้แสดงให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมในาลงใน้รนมงการสบายแต่ที่วันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเปิดงานอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดป่าหนองบัวบาลของเรานี่ ซึ่งการเปิดงานนี้ก็เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ให้กําลังได้บํารงพระพุทธศาสนานั้นได้มีโอกาสในการที่จะมาร่วงประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาของเราเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นต่างก็เป็นผู้ที่ปรักไป ในห้นทางแห่งความดีมาตลอดคือได้ดำรงพุทธศาสนาให้ทานรักษาศีลและก็ประพฤติตามประเพณีที่ดีงามมาตลอดะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะเลื่อนฐานะของเรานั้นให้มาสู่การประพฤติปฏิบัติรันคือมาฝึกบาเพ็ญภาวนาเพื่อเป็นเพื่อนขจัด สิงเศ้ามองในจิตใจของเรานั้นให้มันคลายจางออกไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอันเยือกเย็นมีจิตใจสว่างสะอาดแล้วก็มีจิตใจที่สงบประนัดถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยจิตใจของเรานั้นมันจะไม่สงบไม่เย็นไม่เป็นการที่จะทําให้อยู่เป็นจุกได้เพียงพอเพราะฉะนั้นการ ปฏิบัติกรรมาฐานจนึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาของเราเพราะว่าแต่อมพุทธศาสนาหรือความมุ่งหมายทางพุทธศาสนานั้นคือมุ่งที่จะให้พุทธบุตรจักนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมรู้ธรรมแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ให้แก่จิตใจตัวเองได้เพราะปฏิบันนี้ศาสนาของเรานั้นกําลังถูกลืมเพราะเด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็กลัให้ความสนใจอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินทางวัตถุมากมายเพราะว่าสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ที่จะชักดึงอวัยวะทนของเราหรือว่าอุปกรณจของเรานั้นให้เหินห่างจากศาสนาไม่เข้ามาหาศาสนาทั้งการจัดอบรมเนี่ยถึงการที่จะให้อุบาสกอุบาสิกาหรือผู้ที่นับถือศาสนานั้นได้มีโอกาสในการได้มาสัมผัสในการรปฏิบัติ เพื่อที่จะได้จนในติบแบบอย่างแต่ลูกหลานหรือแต่บุคคลที่เกิดมาภายหลังที่จะได้ดำเนินอลอยตามหรือปฏิบัติตามเพราะว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ประเลิฐที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราเพราะว่าเราเกิดมานั้นทุกคนก็ต่างปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญแห่งชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนท่ทาน เพราะเมื่อเราปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญสิ่งที่จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เรานั้นก็คือธรรม ะ, ะหากทุกคนละทิ้งธรรมะละทิ้งศาสน า, าไม่ใส่ใจในภาษศาสน า, าแล้วชีวิตหรือจิตใจก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พักพิงไม่มีที่จะหยุดยั้งได้เพราะว่าวัตถุนั้นก็เป็นที่พึ่งเพียงร่างกายเนที่พึ่งภายนอกเท่านั้นเองให้ความสะดวกสบาย แต่ความเป็นอยู่เพลา้นในทางด้านจิตใจของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะอา ศ, ศัยศาสนาเป็นสุ่งที่จะทําให้เรานั้นได้ที่พึ่งได้ความสมงบประงัทจิตใจของเราเพราะฉะนั้ น, า น, นการจับอดโมเนี่ยจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะมาแนะนําหรือมาชักจูงญาติโยมนั้นให้ได้รู้จักวิธีปฏิบัติในการเจริญองค์มัชคือเจริญสีสมาธิวิปัญญาตัมยา หรือมากริเอมสติเพื่อให้มีความรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ต่างๆที่มันจะพึงเกิดขึ้นใน จ, จิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกสติไม่เจริญสติหรือ จ, จิตใจไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่สงบระ ง, งับ จ, จิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสงบระ ง, งับ จ, จิตใจของเราได้นั้นคือมาฝึกสมาธิมาฝึกสติให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอจิตใจที่อยู่ในองค์มรรค คือองค์แห่งศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกในทางพระพิาศาสนาของเรานั้นอาจจะมีหลายแบบหลายวิธีหรือหลายคณะหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาแนะนําท่านสอนแต่ละวิธีหรือว่าแต่ละอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้สงบระงับจิตใจของเราหลายวิธีเนั้นวิธีที่จะมา นำญาติโยมเลือกมาแนะนำพุทธบริษัทในท้งนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งวิธีหนึ่งในการที่จะฝึกสติการิิสิตในตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าการกรารจำปัญฐานอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่เรียกว่าการมาสึกสติให้อยู่ในฐานของสี่เรีย ก, กว่าการกรณิปัสสนากัมมาฐานมาเป็นวิธีการที่จะทำให้เหล่านั้นได้เกิดความระลึกรู้สติไว้ง่าย เพราะว่าอินทรีย์ของเราผู้ที่อยู่บ้านนอกบ้านนาหรืออยู่ตามชนบทเนี่ยเป็นผู้ที่ให้อินทรีย์ยังอ่อนเป็นผู้ที่ยังไม่มีสติที่จะรับอย่างละเอียดได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นการเขยา่าภาพรู้ฝึกภาพรู้ตืนขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรนั้นเป็นผู้ที่ประกอบหน้าที่งานหนักทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็ทำมาค้าขายเนี่ยเป็นผู้ที่ ทำการทำงานอยู่แล้วทีนี้การปฏิบัติของเราเนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากันได้กับการประกอบจิตหน้าที่การงานของเราเพราะว่าการจรรยาปฏิบัติเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สติของเรานั้นได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แ, แล้วก็ทำให้ทําเรานั้นได้เข้าใจแย่มแจ้งชัดเจนมากขึ้ น, นเพราะว่าการจรรยาปฏิแบบัติดูเริ่มหายใจนั้งกระดีหรือแบบการบริกรรม พูดโทรก็ดีหรือแบบบริการอะอือ่นๆ ก, ก็ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้จิตใจสงบไปได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อเราทํากันไปแล้วเกินมากจะถูกนิวรณ์คลอดงำหรือพลิง่วงเหาห้าวนามีคลอดงำล้วก็ไม่สามารถที่จะยกจิตให้ขึ้นจูตสมาธิหรือจาระพติให้ต่อเนื่องไปได้เพราะว่าไม่สามารถที่เอาชนะนิวรณ์ได้เพราะนั้ น, นการสติแบบเคลื่อนไหวหรือการนาจาระพติแบ อ, อ เดิจงกลว่ะแบบสร้างจังหวะเนี่ยจึงเป็นวิธีการฝึกสติให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะต่อต้าคนคมม่วงหรือนิวรณ์ธรรมต่างๆนั้นให้สงบระงับได้เป็นอย่างดีเพญานินจได้นําวิธีการนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านได้ฝึกได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีจิตใจที่สงบระงับได้จรงิงและก็สามารถที่ทาให้รู้เห็นจิตใจของตนเองนั้นเป็อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน แล้วก็สามารถที่จะกะจัดทุทธต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตในตอนนั้นให้เบาบางหรือลดน้อยลงไปตามความสามารถหรือตา่างของรู้ที่ตนเองนั้นจะพุทปฏิบัติการวิธีการแบบนี้จึจจจจงที่ว่าการเติมปฏิ บ, บัตเคลื่อนไหวหรือเจริญสมาธิแบบเคลื่อนไหวที่นั้นในจิตจิตวันของเรานั้นเราก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วโดยปกติเราต้องทําไล่ทํานาหรือว่าต้องประกอบภิบหน้าที่ต่างๆเราก็ต้องเคลื่อนไหวใจอยู่แล้ว เมื่อเราเอาพุึกศาสนาหรือเอาวิธีการปุสตินี้มาประยุกต์ใช้กับการงานกับการปฏิบัติหน้าที่นี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้เจริญติดต่อหรือทำกรรมฐานติดต่อได้อย่างเป็นอย่างดีฉะนั้นการเจริญกรรมฐานนั้นจึงไม่เลือกตามไม่เลือกเวลาเมื่อเราสามารถฝึกปฏิบัติได้วิธีการหรือได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วจะไปอยู่ที่ไร่ที่นาที่เลือกที่เขียนหรือประกอบภิกหน้าที่การงาน เราก็สามารถนั่งเอาวิธีการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยที่ไม่ต้องบ่งเวลานะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกโอกาสเพรว่าเราต้องยืนต้องเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาฉันั้นเราจึงเอาการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่การเหยียดการเคลื่อนไหวกายต่างๆ นี้เอามาใช้ในการตึกสติอยู่ทุกอิริยาบถเช่นเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยพยายามที่จะให้มีความราลึกรู้สึกตัวไปพร้อมในการที่จะกำหนดรู้สึกตัวรห้ทําความรู้สึกกายรู้สึกใจรู้จักรูปธรรมนามธรรมที่กําลังปรากฏในขณะปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเตรอนกรรมฐานแบบนี้จึงเป็นวิธีการตึกสติได้เป็นอย่างดีคําวสตินี้หมายถึงวารระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อม คือรู้จักกายรู้จักใจมีส ต, ติอยู่กับกายกับใจพระธรรมชาติของสตินี้เป็นเครื่องรอรุกรู้เท่าทันต่ออารมณ์คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจเป็นความ ร, รักความชังความพอใจไม่พอใจความรู้กความโกรธความหลงหรือความาไม่ดีทั้งหลายในด้านจิตใจที่อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะเป็นปันจุบันหรืออกุศลก็ดี มันเกิดขึ้นกับปิติใจเนี่ยสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ระลึกรู้สึกเท่าทันถ้าหากว่าขาดสติแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นอารมณ์นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในจิตใจอของเราเนี่ยคนเรานั้นจะเป็นสุขก็เพราะอารมณ์ก็เพราะจิตใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะอารมณ์เพราะจิตใจหากว่าเรามีสติ ด, ดีก็จะได้รู้ถ้าทันละอ่อนอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ย มันทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้ใจเดือดร้อนทํำให้ใจไม่สงบทํำให้ใจไม่สบายเราก็สามารถที่จะลดละหรือสลัดมันออกได้ด้วยการที่มีสติหรือมีสมาธิดีเพะนั้นหากเรารู้จักอารมณ์รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าส่วนไหนมันเป็นกิเลสแล้วก็ส่วนไหนที่มันไม่ใช่กิเลสหรือส่วนไหนที่เป็นธรรมส่วนไหนที่ไม่เป็นธรรมเราก็สามารถที่จะรู้ได้ทิตใจของเราเอง เพราะการศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติพุศาสนานั้นตรงชี้มาที่ตัวของบุคคลทุกคนที่มาที่ตัวเราให้รู้จักตัวเราเห็นตัวเราตามความเป็นจริงอันนี้แหละเป็นการศึกษาพุทธศาสนาที่แม้เราจะศึกษาจากตำรับตำราศึกษาศึกษาจากครรมปีศึกษาจากธรรมะที่เขาขีดเขียนเอาไว้นั้นนั้นมันเป็นธรรมะเพียงอสิ่งที่เป็นปริยัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมะภายนอก ต่อธรรมะัวนั้นก็ศึกษาเพื่อที่จะน้อมเข้มหาตัวเรานั่นเองเพื่อมาศึกที่ตัวเรามาดูที่ตัวเราเพราะความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตัวเรากิเลสต่างๆมันก็อยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเมื่อเรามาศึกษาที่ตัวของเราเองนั้นคือศึกษาธรรมะตัวแท้ตัวจริงไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เพียงตำราเก็บาำอรรถกถเทียงอันนั้นผิดอันนี้ถูกถ้าเรามาศึกษาลงที่กายที่ใจเห็ที่กายที่ใจรู้ที่กายที่ใจแล้วเนี่ยคือรู้ธรรมะ คืรู้จักตัวเองลดเรื่องเองนั้นออกจากปัญหาออกจากคกองพลังต่างๆได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นพยายามที่จะมาฝึกผลอดรนใจของเรานั้นให้เป็นผู้ที่มีสติพร้อมในการที่จะขจัดปัดเป่าอากิเลสใยหลัยายบๆๆนั้นให้มันออกไปเพราะสิ่งที่นำกองพลังมาสู่จิตถใจก็คือกิเลสความโลภการโกรธความหลงนั่นเองคนเรานั้นใจของเรานั้นมันไม่สงบเพราะว่าใจนั้นถูกกิเลสปกครอห่อหุ้มหรือว่า มาเกิดในจิตในใจเราแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่สงบขุ้นมาทําให้เราต้องเป็นโรคเคียดเป็นโรคประสาทเป็นโรคกระเพาะอาหารและเป็นโรคอะไรอีกหลายอย่างอันเนื่องมาจากจิตใจเราไม่สงบจิตใจนั้นไม่สบายเมื่อกระทบสัมผัสอารมณ์ลแล้อนมรู้จักปลดเรลื้องมารู้จักที่จะชำระใจนั้นให้สะอา ด, าดาปราศจากอารมณ์ต่างๆได้เพระนั้นวิธีการปฏิบัติกรรมาฐานหรือการมาปฏิบัติธรรมเนี่ย เพื่อที่จะมาทำสติหรือทำสมาธิให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราทำให้จิตใอ น, นั้นได้มีธรรมะคุ้มครองรักษาอยู่ตลอดเวลาลวิธีการปฏิบัตินั้นจึงใช้อเรียบทต่างๆที่เราใช้อยู่ในพิษต่างัดนของเรานั้นมานําในการพิสุติเช่นท่านครูบาอาจารย์ท่านเลยแนะนําวิธีการยกมือขึ้นไว้เช่นยกมือขึ้นให้มีความรู้สึก อามือรงถ้ามีความรู้สึกยกมือเข้าเอาออกเนี่ยให้สติไปรู้อยู่ที่ความรู้สึกในขณะที่ยกคือไม่ให้ใจนั้นมันไปนึกคิดหรือไหลไปกับความคิดแต่ให้มันมาอยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไอ้ความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะทุกเมื่อที่ไม่ปล่อยจิตใจจะให้คิดออกไปนอารมณ์หรือคิดออกไปในกเรื่องภายนอกนั้นแหละคือการดึงจิตให้มาอยู่รู้อยู่ในขณะปัจจุบัน แล้วขณะที่เรายกมือเคลื่อนไหวนั้นใจเราก็เจุดต่อหรือว่ารู้อยู่กับสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เช่นเดินจงกลุ่มอยู่เราก็มีความรู้สึกกับเท้าที่เราก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยให้จุดกําหนดรู้สึกในการยกขึ้นย่างลงและก็เหยียบลงเนี่ยให้จุดตามรู้สึกอยู่กับเท้าของเราอยู่ทั้งสอง 2, ข้างให้จุดต่ออยู่เมื่อเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ สติของเราเราก็จะรู้สึกอยู่ในอารมณ์ในขณะปัจจุบันนั้นเห็นไหมว่าจิตเมื่อมีสติระลึกรู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิคำวะสมาธินี่เป็นผลอันเกิดมาจากสติมันเป็นผลอัเกิดมาจากสติเพราะว่าเมื่อสติดีสามารถระลึกรู้เพื่อพร้อมอยู่จิตก็จะมีความสงบทงนัดหรือว่าเป็นปกติมีความมั่นคงไม่วันไหวที่ไม่วอกได้ที่ไม่คิดไปในอารมณ์ภายนอก ในขณะนั้นแหละเรียกว่าใจของเรานั้นมีสมาธิจะเดินอยู่ก็เป็นสมาธิจะนั่งอยู่ก็เป็นสมาธิจะทํากิจการงานเราอยู่ก็เป็นสมาธิหมายถึงใจมันรู้อยู่ในอารมณ์ในขณะปัจจุบันในสิ่งที่กําลังทําอยู่ในขณะปัจจุบันนั่นแหละเรียกว่าสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วสมาธินี้ก็เป็นเถิดหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดปัญญาคําว่าปัญญานี้หมายถึงการรู้แท้รู้พัน อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิกิรตใจก็ปัญญาคือการก็รู้ในกองสังขารคำว่ า, าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงร่างกายและจิตใจหรือว่สังขารสังขารภายนอกได้แก่ร่างกายสังขารภายในได้แก่การลุกคิดกรงต่างในทางด้านจิตใจสังขารภายนอกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่ารู้ทำเช่นเดียวกันจนมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยหรือมันเปลี่ยนแปลง เราก็ต้องรู้ถ้ารู้ธรรมมันออนสังขารส่วนกายเนี่ยไม่มีใครที่จะบังคับบังชาให้มันอยู่เป็นปกติหรืออยู่คงที่ได้มันเป็นลักษณะที่ตั้งอยู่ในกฎของธรรมชาติคือต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วก็เป็นทุกอยู่ทุกขณะต้องเปลี่ยนแปลงอวัยวะอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเออเป็นสังขารร่างกายที่มีสมบัตเสนอกันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ร่างกายนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายที่ติดตามมาด้วยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นไ้่มีใครที่จะไปหักข้ามรู้ที่จะไปทาให้มันแก่มันเจ็บมันตายนั้นทําไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะําเทาทุกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายได้เช่นเราหิวก็นําอาหารมารับประทานมันร้อนเราก็อาบน้ําหรือหาอยู่ร่มอยู่เงามันก็เย็นลง หรือว่าเมื่อมันเจ็บแค้ไดยป่วยไม่สบายก็หาอยู่หายามารักษามาบำบัดเป็นชั่วครู่ชั่ววันนั้นมาเป็นการบำบัดการทุกข์ไปได้เป็นชั่วขณะขณะขณะแต่ว่าร่างกายนี้ก็ไม่ทนกัจากทุกข์เป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้สังขารในทางด้านจิตใจนั้อันนี้เป็นสั้งขารเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรารู้ได้ยากเห็นได้ยากเพราะว่าการเปลี่แต่งของจิตของใจเนี่ยธรรมชาติของใจเราแล้วเนี่ย เป็นสิ่งที่เป็นธาตุรู้ใจนั่คือธาตุรู้ถ้าก็ใจที่มีสติมีปัญญาดีมันก็รู้ดีสามารถที่จะทําให้ใจสงบประนัดได้ดีแต่ถ้าใจเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันก็จะถูกตั้งขานั้นปรุงปรุงให้เกิดความโรคความโกรธความหลงคำว่าปรุงนี่หมายถึงมันทําให้เกิดความโรคความโกรธความหลงเพราะความโรคความโกรธความหลงนั้นมันไม่ได้อยู่ประจำในจิตในใจมันเพิ่งเกิด เกิดในขณะไหนเกิดไในขณะตาได้เห็นในขณะมหูได้ยินในขณะจมูกได้กลิ่นในขณะลิ้นที่ได้รับรสอาหารในขณะกายที่สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือในขณะที่ใจระลึกนึกถึงอารมณ์ต่างๆในอดีตหรือในอนาคตต่างๆเอามาปรุงแต่งนึคิดเป็นเรื่องเป็นราวนั่นคือการสังขารคือการปรุงแต่งของจิตของใจทลักการมาเจริญสติก็เพื่อที่จะมารู้ถ้ารู้ทางสังขาร การที่สติรู้ท่ารู้ ท, นทนันทั้งขันต่างความเป็นจรินั้นท่านก็เรียกเป็นปัญญาปัญญานี้มันเป็นสิ่งที่จะอาแก้ไขรื้อเละปัญหารื้อเละรกิเลสต่างๆนั้นให้มันเบาบางลดน้อยออกไปคือสามารถที่จะทําให้ใจนั้นเกิดความสะอาดเกิดความเป็นปกติเกิดความสงบเกิดความเยอเือกเย็นขึ้นมาได้ฉะนั้นจุดเป้าหมายของการเตระธรรมท า, านนั้นคือการมาเตริะสติเมื่อสติเกิดขึ้นสมาธิย่อมเกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นมันเป็นเหตุเป็นตัปไตยที่สนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของคณะครูบาอาจารย์ที่จะมาแนะนํานี้คือมุ่งหมายเสนอเรื่องสติเป็นฐานแรกสติเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องฝึกต้องทําต้องฝึกต้องหัดกันก่อนเพราะว่าเราอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นเราไม่ได้นาสติมาใช้ หรือใช้อยู่ก็ใช้เพียงเพื่อสติที่เป็นสามัญสติสติที่เป็นธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะกักตั้นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้แต่ทีนี้เรามาฝึกสติเพื่อให้สตินี้เป็นสติที่ใหญ่ให้เป็นมหาสติกฐานสติที่สามารถที่จะสกักตั้งรู้เท่าเทันต่ออารมณ์ที่มันจะพึงเกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่นั่งการยืนการเดินการนั่งการนอนในขณะที่เรามาฝึกเนี่ย เราจำเป็นที่ต้องใช้สติอยู่ทุกเมื่อทุกขณะจะเดินไปไหนมาไหนนี่จะทำมาอะไรต้พยายามที่จะรู้สึกตัวทุก่อนก่อนที่จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยหรือว่าจะทําหน้าที่อะไรพยายามที่จะให้มีสติรู้สึกตัวที่ก่อน้งโดยรู้สึกอยู่ในขณะที่พูดขณะที่ทําขณะที่คิดอยู่ทุกขณะนี่เป็นกลางสติคือยืนอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวนอนอยู่ก็รู้สึกตัว การรู้สึกเีินรู้ถึงกายรู้ทั้งใจรู้ทั้งสองอย่างรู้กายด้วยรู้ใจด้วยทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่ารู้จักคู่รู้จักนามรูปธรรมก็คือร่างกายของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเนี่ยเป็นรูปธรรมนามธรรมคือสิ่งที่อาศัยกายอยู่เรียกว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรา มันเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีเตนแล้ ว, ว่าจิตใจเนะี่ยมันนึกมันคิดได้รู้อารมณ์ไ ด, ด้รู้จากสรู้จากทุกข์ได้มันรักได้ชังได้นั่นแหละคือนามธรรมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรื่องเป็นเรื่องของจิตของใจนั่นคือเรื่องนามธรรมแล้วในร่างกายของคนเราเมีอยู่เพียงสองอย่างคือรูปธรรมแล้ก็นามธรรมที่เรมม า, ามาปฏิบัติกรรมฐานสุขสติก็คือให้มีสติอยู่กับรูปกับนามถ้าเราอยู่กับรูปกับนามเนี่ย มายถึงรู้สึกอยู่ในสณะปัจจุบันเนี่ยจะยืนอยู่รู้สึกรู้สึกอยู่เตารู้สึกนั้นคือนามธรรมนั่งอยู่นี้คือรูปธรรมรู้สึกว่านั่งอยู่ในขณะนี้คือนามธรรมมืสต่งที่ต้านเล่นอยู่ด้วยกันมือยกขึ้นนี่คืรูปธรรมตัวรู้สึกก็ยกขึ้นรู้สึกอยู่ในขณะนี้คือนามธรรมนี่เรามีติรู้อยู่อย่างนี้ที่ตามแบบของการเอปฏิบัติแล้วทำเยอะๆเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมะ ถ้าเรีนนามธรรมนั่นก็แยกออกเป็นสี่เรียกว่าเวทนาจิตธรรมเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เป็นถามที่เราจะต้องรู้สึกคำว่ า, ารู้กายเนี่ยกายยืนตายเดินตายนั่งตายนอนกายคูกาเหียดมีติรู้เท่ารู้ทันติดตามอยูทุกขณะทีนี้เวทนาหมายั้งกายรู้สึกรู้สึกเป็นสุกก็ดีทุกก็ดีหรือรู้สึกเฉยๆที่มันยังไม่สึกไม่ทุกก็ดี ก็มีสติรู้อยู่ว่าขณะนี้เวทนาเป็นฝุ่นเวทนาเป็นทุกข์หรือเวทนาหรือสติเฉียวอยู่รู้ทันอารมณ์ของเวทนานี้จิตเขาเรีารู้จิตเนี่ยจิดหมายถึงอาการที่มันไม่คิดออกไปในอารมณ์ต่างๆหรือมันปรงแต่งอารมณ์ต่างๆนั้นคือจิตแล้วจิตมันคิดไปรู้ทันออกจิตคิดไปแล้วมคิดออกไปรู้จิตรักก็รู้จิตชังก็รู้จิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตปัญโงงเพ้อสติสังเก็รู้ แล้ว่าเป็นการมาทํความรู im, nin, bare, at, it, ้ทำควาจิตคาว่าจิตเ้าเราคิดตลอดเลยเราไม่รู้แทรู้ทำเนี่ยมันนําปัญหามาให้วันวหนึ่งมันคิดไม่รู้ว่ากี่เรื่องกี่ราวคิดเรื่องอะไรบ้างเราก็ไม่เคยที่จะไปศึกษาไปดีมันในขณะที่มันคิดเป็นต่างประนั้นมันก็นำความทุกข์มาสู่ใจของเราเราคิดเรื่องดีแล้วคิดเรื่องไม่ดีแล้วคิดเรื่องเรื่องความสุขเราคิดเรื่องความทุกข์การคิดนี่เองมันเป็นปัญหาใหญ่ของการ อาใช้จีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยพอเราจะฝึกจะทุกขกระเพาะความคิดของเราเองของการที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะมารู้ธรรมจิตธรรมใจรู้ธรรมต่อความคิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่เนี่ยมันจะมีความคิดเข้ามามัควอมคิดเข้ามาเดี๋ยวคิดไปเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดไปเรื่องนี้มันไม่อยู่แต่ในขณะที่เรายกมือเนี่ยใจมันไม่อยู่ขณะที่เรายกมือเค้ื่อนไหวเนี่ ย, นน ย, ออยพอจะหากว่าใจมันคิดออกไปนั้นพยายามที่จะดึงกลับคืนมา มันไมให้มันคิดไปตามเรื่องตามราวของมันไม่กล่อยใจไปแล้วถ้ามันมาอยู่กับอารมณ์รือความรู้สึกที่เรากําลังยกมือขึ้นเอามือลงเก็บมือเข้าเอามือออกเนี่ยให้มันมีความรู้สึกอยู่นี้ในขณะที่เราเดินอยู่ก็ดีมาเดินเรียบบทจงกรมอยู่ก็ดีถ้ามีความรู้สึกอยู่นั้นในขณะที่เราเดินอยู่นั้นพอมันคิดออกไปออมันคิดออกไปแล้วเนี่ยมันคิดไปคิดไปแล้วรู้ทันมันแล้วจับดึงมาอยู่ที่ความรู้สึกนดึงกลับมาอยู่ความรู้สึกใหม่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่จะต้องเป็นผู้ที่อดทนสักหน่อยหนึ่ง เพราะว่าในขณะที่เราอยู่ที่บ้านในระที่เราไม่เคยมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราไม่เคยได้ดูมันไม่ได้ดูของคิดเรามาคิดอะไรมาก็คิดไปตามเรื่องตามราคิดไปตามที่มันจะคิดถึง m o m e n ปฏิบัติพันล้อเนมันจะคิดมากโยคิดอย่างนั้นยกคิดอย่างนี้อย่างนั้นมาคิดอย่างนี้มาคิดคิดจะไม่สงบแล้วคิดจะเกิดความตั้งใจฟุ้งซ่านมาคิดมากแล้วในขณะที่มันคิดมากก็ยาวพึ่งไปห้ามความคิดนะถ้ากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว พื้นสติของเรานั้นยังไม่สามารถที่จะส ก, กัดกั้นหรือยังไม่สามารถที่จะปลับความคิดกันออกได้เพราะว่ามีสติที่ยังไม่มีกําลังที่เป็นเพียงการเพียงพอที่จะต้านทานต่ออารมณ์ความคิดต่างๆเราไม่สามารถที่หยุดการตึงตังได้ต้องมาอยู่กับความรู้สึกที่เป็นตัวในกายก่อนอย่าทิ้งความรู้สึกกายในขณะที่เดิน้ามีความรู้สึกเป็นตอวในกายมันคิดมาแล้วก็พอรู้ทันมันก็พยายามที่จะจรดับ กลับมาอยู่กับความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาในขณะเราที่อยู่กับความรู้สึกมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้านี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มนะเริ่มสงบระงับลงเพราะว่ามันมีสิ่งที่ผูกมัดอยู่ไอ้สิ่งที่ดึงมันอยู่เหมือนกับเชือกที่ผูกมัดควายผูกมัดวัวที่มันจะไปไหนมันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเชือกผูกล่ามไว้อยู่นี่จิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมันมีสติเป็นเชือกมัดอยู่กับอวัยวะกับการเคลื่อนไหวเนี่ย จิตมันก็จะไม่ไปอื่นเอามันจะกลับมาอยู่ในควารู้สึกเอามันคิดไปแล้วกลับอยู่ในความรู้สึกทําความรู้สึกอยู่นี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ารูปนามาาก็จะปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นรูปประทมอันนี้เป็นนามมาทําสุขทุกข์มั น, นเกิดจากรูปประทมเกิดจากนามมาท ำ, นนามมาทำใจ ร, ร, รู้เท่ารู้ธรรมนั่นนั้นการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจึงต้องอาศัยการสุขสติอย่างาเข้มงวดอย่างจริงจังหากสติ ข, ของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที war, wisdom wisdom was, ่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญหอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสตินี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ในการฝึกกรรมฐานทุกอย่างไม่ว่าจะฝึกฝึกแบบไหนวิธีใดก็ตามท่านท่านจะมาเน้นถึงกับเรื่องสติเป็นเรื่องแรกดูลมหายใจท่านก็บอกว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจอย่าเพ้อสติให้มีสติรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเช่นบริกรรมพุทโธเขามีสติอยู่กับพุทโธเช่นบริกรรมสัมมาอรหังก็มีสติอยู่สัมมาอรหัง คือจิตอยู่กับสมาธิขึ้นยุกหมอท้องหนอก็มีสติรู้อยู่ในกับการบริการยกหนอพองหนอคือไม่ให้สติมันเคลื่อนไปจากสิ่งที่เรากำชัาอยู่เช่นเรายกมือเคลื่อนไหวก็มีสติอยู่กับการยกมือการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เพื่เราทําอารมณ์ให้รู้อยู่ในขณะปัิจุบันอย่างนี้รูปนามจะปรากฏให้เห็นว่าอันสิ่งนี้คือรูปสิ่งนี้คือ น, นามแล้วก็ให้ยากเย็ทั้งหลายด้วยพยานที่จะจะทำา็ว่าการปฏิบัติธรร ม, มะเนี่ยเป็นการที่จะมารู้จิตรู้ใจของเรา รู้จักการสความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระงับดับมันลงได้ด้วยการสติรู้ทันมันความโลภมันจะเกิดขึ้นในใจอ๋อนี่มันโลภแล้วใช่ของให้แล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วนี่มันไม่สบายแล้วเนี่ยพอรู้ทันมันแล้วก็ผลักออกก็ได้เช่นความโกรธความไม่พอใจมันเกิดขึ้นกับกิจใจมันทําให้ใจเราร้อนเนี่ยมันทําให้ใจเราไม่เป็นปกติทําให้ใจวั่นไหยทาให้ใจไม่สบายอึดอัดทัดแท้บขุ่นมัวเนี่ย เม่อเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดกับใจมันจะไม่เกิดกับใจพอมารู้สึกว่ามันจะเกิดสติเขาไปรู้ทันปัญญาเขาไปละลดละลอยวางไม่โลมาความโกรธจะไม่เกิดกับใจเมื่อความโกรธไม่เกิดกับใจใจก็สงบใจก็เย็นใจก็สบายตาได้เห็นหูได้ยินมันก็เป็นธรรมชาติไปมันจะไม่พอบพูนความโกรธความโทคาความโมโหเถิด